อานามสยามยุดว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกผลนิ่งไกไปกระทําการศึกสงคารามกันจับลาวกรุงข่าวชาวเมืองเวจันเป็นต้นเหตุเดิเมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงคารามกันจันนขบขมิ้นจวนต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทมหายุทธนาการในรัชก า, ารที่สามกรุงเทพเมื่อจุลศัลยาสตร์หปดสปีจออาสะสุ ดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่เก้าของทัพเมืองลาวตามตีกองทัพไทยอันหนึ่งพระยาเทียงสาลาวกราเปลี่ยนเจ้าพระยาราชาสุภาวดีว่า จะรับอาสานำทางลัดป่าไปถึงเมืองยะโสธรโดยเร็วฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีมีความยินดีเห็นชอบด้วยแล้วจึงมีบัญชาสั่งให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองจัดการตรวจตราพลช้างมาไว้ให้พร้อมเวลาพบค่ำนี้เราช่วยกันรื้อค่ายที่พรานพร้าวทิ้งน้ำเสียจึงจะล่าทัพ ถอยลงไปยับยั้งตั้งค่ายมั่นรับค่าศืบก่าวอยู่ที่เมืองยะโสธรแต่พอจะได้พักผ่อนรีพลเพิ่มเติมขึ้นให้มากจะได้มาจับเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์ที่เมืองเวียงจันท์ให้จงได้ในวันนั้นมีบัญชาสั่งให้เสมียนตราแต่งหนังสือฉบับหนึ่งถึงพระวิชิตสงครามแม่กองทัพเรือซึ่งรักษาด่านทางข้างเมืองนครพนมใจความว่าดังนี้ หนังสือจอมจตุรงมหาปรินายกดิลกเกิดประเสริฐศักดิ์อัครมหาเสนาบดีแม่ทัพใหญ่มาถึงพระวิชิตสงครามขุนนางในพระราชวังบวรด้วยเป็นแม่ทัพฝ่ายหนึ่งซึ่งคุมพลทหารเรือรบและทหารบกรักษาด่านทางข้างเมืองนครพนมได้ทราบด้วยบัตรนี้เจ้าอนุเจ้าราชวงศ์ยกกองทัพ กลับมาแต่เมืองยวนแล้วหมาแต่งกองทัพลาวเข้าล้อมกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ในเมืองเวียงจันน์นั้นผลทหารลาวมีปืนยิงทหารพระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขราชหลวงสุเรนทรมิชิตนายทัพรักษาเมืองเวียงจันน์นั้นตายทั้งสามคนกับไพรพลไทยตายเกือบหกร้อยคนที่หนีรอดมาได้แต่เมื่นรักษาเวชไพรสี่สิบห้าคนเท่านั้น เจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์ตีเมืองเวียงจันคืนได้แล้วจัดการบ้านเมืองแข็งแรงนักจะมาตีกองทัพไทยที่พานพราวด้วยบัดนี้เจ้าคุณแม่ทัพก็จะล่าทัพถอยลงไปตั้งค่ายอยู่ณนเะมืองยโสธรในเวลาค่ำวันนี้จึงมีบัญชาสั่งให้พระวิชิตสงครามรึกรองดูราชการครั้งนี้ให้เห็นว่า พอที่จะตั้งรับตั้งทานฆ่าศึกกลาวอยู่ที่เมืองนครพระนมได้กว่าเจ้าคุณแม่ทัพจะยกกลับคืนขึ้นมาตีเมืองเวียงจันน์นั้นเมื่อใดแล้วเจ้าคุณแม่ทัพจึงจะให้พระวิชิตสงครามเป็นแม่ทัพหน้ายกเข้าจับเจ้าอนุเจ้าราชวงศ์ต่อไปถ้าพระวิชิตสงครามเห็นว่าผู้คนในกองดานมีน้อยจะตั้งรับทัพลาวเหลือกาลังให้พระวิชิตสงคราม เผาค่ายที่ด่านเสียให้หมดแล้วให้ถ่ายสเบียงอาหารบรรทุกโคต่างช้างและเกวียนเรือกว่าต้อนครอบครัวผลเมืองนครพนมถอยทัพตามเจ้าคุณแม่ทัพลงไปณนะเมืองยะโสธรก็ตามใจพระวิคิตสงครามจะคิดเถิดครั้รนเสมียนตราแต่งหนังสือหนีเสร็จแล้วจึงนาอ่านเสนอประทับลาพระราชนอยมมอบให้หลวงชาติสุรินทร์ ขึ้นม้าเร็วคุมผลสถานม้ายี่สิบมา้าเดินล่วงหน้าลัดทางป่าไปส่งให้พระวิชิตสงครามนายด่านที่เมืองนครพนมพระวิชิตสงครามได้ทราบความตามหนังสือนั้นแล้วจึงมีหนังสือตอบมอบให้หลวงชาติสุรินทร์หลวงชาติสุรินทร์ก็รับหนังสือมาส่งให้เจ้าคุณแม่ทัพที่กลางทางในเวลาค่ําวันนั้นในหนังสือนั้นมีใจความว่า พระวิชิตสงครามจะขอตั้งรับฆ่าศึกลาวอยู่ที่เมืองนครพนมก่อนด้วยได้เกลี้ยกล่อมครัวลาวและขเขมรปาดงมาไว้ในค่ายไทยเป็นอันมากแล้วได้ชะกันเป็นกําลังเกือบพันคนเศษกับคนเก่าที่เมืองนครพนมมีอยู่ห้าร้อยแล้วเห็นพอจะต้านทานกองทัพลาวได้เพราะปืนใหญ่ของเรามีมากพอยิงตอบโต้สู้ลาวได้ ด้วยลาวมาคราวนี้ไม่มีปืนใหญ่มาเลยจะมาสู้กับเรามีอาวุธทางยาวก็ยากอยู่แต่จะระวังตัวให้มากไม่มีความประมาทเหมือนพระยาพิชัยสงครามอันหนึ่งถ้าลาวยกทัพใหญ่มามากเห็นเหลือกำลังรีพลจะต้านทานสู้รบไม่ได้แล้วจึงจะล่าทัพถอยหลังไปเมืองยะโสธรตามบัญชาสั่งเจ้าคุณแม่ทัพทุก ป, ประการ เมื่อเจ้าพระยาราชสุภาวดีจะล่าทัพทิ้งค่ายที่พรานเร้านั้นจึงมีบัญชาสั่งนายทัพนายกองว่าเวลาค่ำบันนี้ให้คุมพ้นฐานหรือค่ายที่ตำบลพรานพร้าวทิ้งลงในแม่น้ำโขงเสียทุกค่ายทั้งสิ้นอย่าให้เหลือไว้เป็นกำลังแก่เราข้าศึกได้เป็นอันขาดแล้วสั่งหลวงเทพเสนีให้หามปืนใหญ่ขึ้นบรรทุกหลังชานขนไป ถ้าปืนใหญ่เหลือจากหลังช้างช้างไม่พอกับปืนใหญ่ปืนใหญ่ที่เหลือนั้นให้หาเหล็กตะปูมาอุดชนวนปืนใหญ่เสียทุกกระบอกแล้วจึงให้คัดปืนใหญ่กลิ้งลงไปในแม่น้ำโขงทั้งสิ้นกับเสบียงอาหารที่บรรทุกช้างโคต่างไปไม่หมดเหลืออยู่มากน้อยเท่าใดให้พระมหาไทยหลวงนาจัดแจงขนลงทิ้งน้าเสียทั้งสิ้นอย่าให้เหลือเป็นกาลังแก่ข้าสืบกล่าวได้ ไายและสเสบียงอาหารครั้นจะเผาเสียตามธรรมเนียมทัพศึกที่ล่าก็ไม่ได้เพราะกลัวว่าข้าศึกลราที่อยู่ใกล้จะรู้ว่าไทยล่าทัพหนีไปเ้าจะยกทัพออกก้าวสกัดตามตีท้ายผลเราผลเราจะได้รับความลำบากเราจะล่าทัพเดินกองทัพไปไม่สะดวกแล้วสั่งให้พระยาราชรองเมืองขุมทหารเป็นทัพหน้าเดินทัพล่วงหน้าไปก่อนในเวลาพบค่า ณวันพฤหัสบดีเดือนสิบเอ็ดขึ้นสองคำ่ำแล้วสั่งให้พระยาพรมยกกระบัดเมืองนครราชสีมาขุมทหารหัวเมืองเป็นกองหลังให้พระยาสุภามาตรากับพระนรินทารานุรักษ์กรมการขุมคนที่ป่วยไข้เดินทับตามทัพหน้าไปเป็นลำดับแต่กองช้างพระยาประสิทธิ์ขชลักษณ์เมืองนครราชสีมากับกองพระยานรงค์สงคราม เมืองนครราชสีมายังมาไม่ถึงทานพร้าวครันเวลาสองทุ่มเศษในวันขึ้นสองค่ำนั้นเจ้าพระยาราชาสุภาวดีขึ้นคอช้างพรายคีรีบัญชรสูงหกศอกคืบสองอนิ้วผูกเครื่องมั่นพระคัจสิทธิ์เป็นครวนท้ายช้างหลวงภูวนาถพักดีถือปืนเป็นกลางช้างมีทหารถือปืนเดินเป็นคู่เคียงสี่เท้าช้าง ตามอย่างประเพณีแม่ทัพใหญ่และตำรวจภูธรเดินแซงหน้าช้างริ้วในมีทหารถือปืนดาบศิลาเดินหน้าหลังพร้อมทั้งพลทหารกองนอกถือศาราวุธครบมือเดินเป็นกระบวนทับสัพท์เสร็จแล้วขณะนั้นเจ้าพระยาราชาสุภาวดีมีบัญชาสั่งให้อุปหสัสมืองอุบลราชธ า, านีผู้สวามิภักดีมาแต่เดิม ให้เป็นผู้กำกับช้างพระยาเชียงสาซึ่งเป็นผู้นาทางครันจัดพลทหารพร้อมแล้วจึงเร่งรีบเดินกองทัพออกจากค่ายพรานพร้าล่าถอยทัพเดินลัดทางป่าไปไม่ได้ต้องหยุดย่ตน์จนสว่างรุ่งเช้าขึ้นเดินต่อไปจนเวลาสี่โมงเชา้าถึงเมืองยะโสธรได้พักพลทหารที่นั่นหุงอาหารรับประทานเสร็จแล้วเจ้าพระยาราชาสุภาวดี สั่งให้หลวงเทเพนกับอุปหาตเมืองอุบลราชธานีไปตรวจสเสบียงอาหารในเมืองยะโสธรก็ขัดสนไม่พอจะจับจ่ายใช้เลี้ยงกองทัพไทยหาสมกับความคิดไว้ไม่จึงได้เกณฑ์ไพรพลที่ะกันในเมืองยะโสธรหกร้อยคนแล้วให้อุปหาตเมืองอุบลราชธานีเป็นแม่กองคุมไพรหกร้อย600คนขนสเสบียงอาหารถ่ายลงไปไว้ในเมืองสุวรรณภูมิแล้วให้พระอินทร อาสาเหล่าเก่าเมืองพนัทนิคมกับพระพลสงครามเมืองนครราชสีมารวมสามนายเป็นนายทัพนายกองคุมพลทหารไทยไปกว่าต้อนครอบครัวชาวเมืองยะโสธร อ, อพยพลงไปไว้ในเมืองสุวรรณภูมิเจ้าพระยาราชสุภาวดีหยุดทัพพักพลอยู่ที่เมืองยะโสธรสองวันพอถ่ายสบียงลำเลียงไปหมดแล้วจึงต้อนครัวพลเมืองไปสิ้นด้วย จึงสั่งให้พระยาพรมยกระบาดกองหลังนำไฟเผาเรือนในเมืองยะโสธรเสียสิน้นทั้งหวังจะไม่ให้เป็นที่พักอาศัยฆ่าศึกลา่าจะตามมาภายหลังได้แล้วสั่งพระคเชนทรานุลักษ์นายกองช้างกองนอกให้นำช้างพายใหญ่ห้าสิบเชือกไปแทงทลายป้อมเก่าและโบสถ์ที่เป็นวัดเก่าๆในเมืองเสียสิน้นไม่ให้เป็นที่ฆ่าศึกมาพักอาศัยเป็นป้อมค่ายได้รันลุ่งขึ้น เวลาเชา้าจึงยกกองทัพเดินลำดับไปถึงเมืองสุวรรณภูมิริมฝั่งแม่น้ำโขงด้วยเมืองสุวรรณภูมินี้เป็นชัยภูมิที่ควรจะตั้งค่ายรบกับลาวเพราะบริบูรณ์ด้วยสเบียงอาหารไพ่พลเมืองมากไม่บอบชำ้ำด้วยเจ้าศรีวอผู้ครองเมืองเป็นคนแข็งแรงในการศึกสงครามจึงจะรักษาเมืองสุวรรณภูมิไว้ได้ไม่เสียแก่เจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์าศึกลาว ฝ่ายพระยาราชรองเมืองแม่ทัพน้ายกทัพมาใกล้เมืองสุวรรณภูมิแล้วจึงใช้ให้หลวงสวัสดิ์นัครเรษฐคุ้มทหารมาห้ามาเข้าไปแจ้งข้อความล่วงหน้าให้เจ้าศรีวราบว่ากองทัพไทยยกทัพมาจะพักพนเพื่อจะต่อสู้กับเจ้าอนุอีกฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภวดีเดินทัพมาใกล้เมืองสุวรรณภูมิห่างเมืองสามสิบเส้น จึงใช้ให้หลวงวาสุเทพไปสั่งพระยาราชรองเมืองแม่ทัหน้าให้หยุดทับตั้งค่ายหลวงวงพาดตามลำดับแม่น้ำโขงโดยนาคนามตามตำราพิชัยสงครามพอแต่พักทนตั้งมั่นที่นี่เห็นเป็นที่ชชยภูมิดีแล้วฝ่ายพระยาราชรองเมืองแม่ทับหน้ากับทั้งพระยาพรมยกระบทเมืองนครราชสีมาแม่ทับหลังพระยาราชสงครามปีกสาย พระยานครสวรรค์ปีขวาพระยาพระหลวงนายทัพนายกองพร้อมกันเข้าชื่อขออาสาคุมทหารไทยและลาวเมืองสุวรรณภูมิยกขึ้นไปตามที่เจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์ที่เมืองเวียงจันทร์ให้ได้ชัยชนะและได้ตัวด้วยถ้าไม่ได้ตัวเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์คงจะตีทัพเจ้าอนุเจ้าราชวงศ์ให้แตกยับไปหมดถ้าไม่สมดังนี้ขอรับพระราชทานลงโทษตามอายการศึก ขณะนั้นเจ้าพระยาราชสุภาวดีมีบัญชาว่าซึ่งท่านทั้งหลายมีใจร้นรนด้วยราชการดังนี้เรามีความชอบใจยิ่งนักแต่เราเห็นว่าพวกท่านไม่ต้องจะยกขึ้นไปตามตีเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์เจ้าอนุเจ้าราชวงศ์คงรีบยกลงมาตามตีพวกท่านพวกท่านคอยรับที่นี่จะดีกว่าจะได้สู้ให้เต็มกำลังความคิด และฝีมือก็พอเป็นราชการแข็งแรงอยู่แล้วไม่พักจะต้องคิดออกไปตีลาวลาวคงลงมาที่ไทยอยู่เองให้ช่วยกันคิดตั้งค่ายคูประตูหอรบไว้รับลาวให้แข็งแรงเถิดดีกว่าจะขึ้นไปต่อสู้รบกับลาวครั้นนั้นเจ้าสีโวจัดสเสบียงอาหารให้กรมการลาวนำออกมาจ่ายให้ไพรพลในกองทัพไทยโดยบริบูรณ์ทุกพับทุกกอง ขันลุ่ขึ้นเจ้าศรีวอขี่มาออกมาคำนับเจ้าพระยาราชาสุภาวดีที่ค่ายนอกเมืองฝ่ายที่เมืองเวียงจันน์นั้นเจ้ารัชวงศ์หญิงพระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขราชหลวงสุเรนธร์วิชิตตายทั้งสามคนแล้วเจ้ารัชวงศ์ว่าเลิกดีมีชัยชนะแก่ไทยในวันนี้ให้ตัดศีรษะพระยาพิชัยสงครามพระยาทุกขราชหลวงสุเรนธรวิชิต ทั้งสามศีรษะนำไปเสียบไว้ที่หาดทรายหน้าเมืองเวียงจันทร์นำลูกประคำทองเครื่องยศของไทยไปแขวนคอทั้งสามศีรษะให้พลเหลาวเห็นเป็นอำนาจแต่พลทหารไทยที่หนีอยู่ในที่กำบังตามวัดและบ้านต่างๆนั้นหลาจับได้ทั้งสิน้นเจ้ารัชวงศ์ว่าจะเอาไทยไว้หาประโยชน์ไม่ได้จึงสั่งให้ทหารลาพาไทยที่จับเป็นมาได้นั้น ไปฆ่าเสียทั้งสิ้นไถ่าตายครั้งนั้นหกร้อยคนเศษเจ้ารัชวงศ์สั่งให้พระยาสุโพพระยาเชียงขวาพระยาเชียงซ้ายให้ไปต้อนพลลาวที่หลบลี้อยู่ตามในป่าดงรวบรวมมาได้หมื่นเศษคัดเลือกแต่พลผู้ชายที่ชะกันได้สี่ห้าพันคนให้เข้าในกองทัพเลา่าแต่ครัวที่แก่ชราเด็กหรือหญิงนั้น ให้อยู่ในเมืองเวียงจันทร์ให้เพียกว้านขุนนางผู้ใหญ่คุมครัวอยู่รักษาเมืองเวียงจันทเจ้าอนุเจ้ารัชวงศ์แลเห็นขุนนางยวนที่มาส่งนั้นกลับไปหมดแล้วไม่มีที่กีดขวางราชการจึงสั่งให้เพียมณีกับเท้ามหาชัยคุมพลทหารสามร้อยข้ามฟากไปที่พรานพลาวให้หรือพระเจดีชื่อปราบเวียงจันทร์ที่กรมพระราชวังบวรสร้างขึ้นไว้นั้น พวกเราก็รื้อลงเสียสิ้นตั้งแต่ยอดตรีจนถึงฐานชั้นสิงเชิญพระพุทธรูปที่กรมราชวังบวรนํามาแต่เมืองเวียงจันท์ไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์สี่องค์ทรงพระนามว่าพระเสริมพระแสงพระสุขพระใสทั้งสี่องค์นี้รับเชิญกลับไปไว้ในเมืองเวียงจันท์ดังเก่าแล้วเจ้ารัชวงศ์ให้พลฐานไปขุดที่ค่ายพรานพลา สงสัยว่าเจ้าพระยาราชสุภาวดีจะนําปืนใหญ่ฝังไว้เมื่อลาทัพถอยไปก็หาได้ปืนใหญ่สมดังที่ลราคิดไม่เพราะเราไม่รู้ว่าไทยนาปืนใหญ่กลิ้งลงแม่น้ำโขงสีแล้วจึงไม่ได้ดำน้ําหาปืนใหญ่ขึ้นมาต่อสู้กับไทยได้ครั้นนั้นเจ้ารัชวงศ์เก็บได้ปืนเล็กนกสับคาบศิลาในกองทัพพระยาพิชัยสงคราม มีห้าร้อยกระบอกปืนหามเล่นขานกกรยางมียี่สิบกระบอกถังกระสุนดินดำเสื้อกางเกงหมวกเสนากุฏสี่ร้อยสำรับธงตะขาบสี่สิบคันกับธงมังกรสามสิบคันสเบียงอาหารพร้อมด้วยเจ้าอนุสั่งให้เจ้าสุธิสารคุมพลทหารลาวเก่าสองพันลาวและลาวใหม่สองพัน ยกไปเที่ยวเกลียกร่มหัวเมืองตามลำแม่น้ำโขงได้มากน้อยเท่าใดเห็นพอจะทำการใหญ่ได้ก็ให้เลยลงไปโจมตีเมืองนครราชสีมาทีเดียวถ้าได้ทีก็ให้คิดนัดหมายกับเจ้ารัชวงศ์รีบเร่งยกรุดเลยลงไปตีกรุงเทพทางสระบุรีหรือนครนายกเจ้าอนุจึงจัดให้เจ้ารัชวงศ์เป็นแม่ทัพใหญ่มีแสนเท้าพระยาลาว นายทัพนายกองเป็นปีกขวาและปีกซ้ายมีไพ่พลหกพันให้ยกข้ามฟากแม่น้ำโขงไปฝั่งตะวันตกที่พรานเพลาพอจะไปติดตามจับเจ้าพระยาราชาสุภาวดีถ้าตีทัพกองเจ้าพระยาราชาสุภาวดีแตกหมดแล้วถ้าได้ช่องที่มีท่าทางอันสมควรให้เลยยกลงไปทางเมืองกบินบุรีตีตลอดลงไปจนกรุงเทพบรรจบกับทัพเจ้าสุทิสารพร้อมกันทีเดียว แล้วเจ้าอนุให้เจ้านอคำกับแสนเท้าพระยาลาวขุมกองทัพหัวเมืองซึ่งเกลี้ยกล่อมมาได้สามพันเศษนี้ให้เจ้านอคำยกไปตีเมืองหล่มเมืองเลยเมืองเพชรบูรณ์เมืองบัวชุมชัยบาดาลถ้าแตกหมดแล้วได้ท่วงทีก็ให้เลยรีบรุดลงไปตีเมืองตามรายทางลงไปทางเมืองลบบลุรีตีเมืองอ่างทองกรุงเก่า ลงไปจนถึงกรุงเทพเป็นทัพกระนาบด้วยอีกทัพหนึ่งฝ่ายเจ้าอนุจัดกองทัพยกไปเป็นหลายทางหลายสายดังนี้แล้วเจ้าอนุจึงเป็นผู้อยู่จัดพลทหารแต่งการรักษาเมืองเวียงจันทร์โดยแข็งแรงแล้วจึงตั้งค่ายนอกเมืองสี่มุมเมืองชักปีกาถึงกันมีประตูหอรบรอบเมืองตามกำแพงเมืองที่ไทยหรือเสียนันลานาไม้ไผ่มาปักเป็นเสาระเนียดรอบเมือง ขุดดินที่กลางเมืองขึ้นให้สูงเป็นป้อมทำการรักษาบ้านเมืองเขตแดนให้มั่นคงแล้วแต่งให้พระยาลือกับเพียรมหาชัยไปขอกองทัพเมืองลือเมืองขอนซึ่งเป็นลาวสิบสองปนาขึ้นกับจีน6กโหลให้ยกมาช่วยด้วยก็ไม่สมดังที่ลาวขอจีนจีนก็ไม่ให้กองทัพมา ฝ่ายเจ้าอนุคิดจะแต่งทูตลาวพาเจ้าหญิงหลานไปถวายพระเจ้าอังวะเพื่อจะขอกองทัพพมา่ามาช่วยก็ไม่สมที่คิดเพราะไปไม่ถึงเมืองพมา่าด้วยทางนั้นลาวเชียงใหม่ราตะเวนรักษาด่านทางอยู่ทุกทิศลาวเวียงจันทร์จึงไปไม่ถึงเมืองพมา่าหรือหัวเมืองขึ้นของพม่า ก, ก็ไม่ถึงฝ่ายเจ้ารชวงศ์ก็ยกกองทัพใหญ่ลงไปตามฝั่งแม่น้ำโขง ถึงเมืองยะโสธรเห็นเมืองร้างเปล่าอยู่ไม่มีผู้คนจึงเข้าใจว่าทัพไทยกวาดท้อนพลเมืองสเสบียงอาหารไปหมดแล้วจึงเหลืออยู่แต่เปลือกเมืองเก่านำไฟจุดเผาเย่าเรียนไม่หมดเจ้ารัชวงศ์ใช้ให้ทหารเที่ยวติดตามพลเมืองยะโสธรในป่าได้มาบ้างสองสามคนจึงได้ไตาถามได้ความว่า เจ้าพระยาราชสุภาวียกมา ก, กวาดต้อนครัวไปหมดแล้วถ่ายสเสบียงลำเลียงอาหารลงไปไว้ที่เมืองสุวรรณภูมิเจ้ารัชวงศ์ได้ฟังข่าวศึกดังนั้นจึงว่าเราจะรอช้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ฝ่ายทักไทยจะตั้งค่ายมั่นเราจะตีแตกโดยยากจำเป็นจะต้องรีบยกลงไปตีเสียทีเดียวเมื่อกำลังยังอ่อนอยู่ จึงจะได้ชัยชนะง่ายเบามือทหารเราคิดแล้วดังนั้นจึงได้ยกพลทหารรีบรุดลงไปถึงบ้านตะกุลใกล้เขตแดนเมืองสุวรรณภูมิจึงใช้ให้พลทหารไปเที่ยวซุ่มซ่อนคอยจับไทยและพลเมืองสุวรรณภูมิมาได้สี่คนถามได้ความว่ากองทัพไทยยกมาตั้งมั่นอยู่ที่เมืองสุวรรณภูมิแล้ว เจ้ารัชวงศ์ได้ความดังนั้นจึงสั่งให้ขังเราชาวเมืองสุวรรณภูมิสี่คนไว้จะได้ถามข้อความในกองทัพไทยต่อไปอย่าให้ข่ามันเสียเลยแล้วสั่งให้แสนเท้าพระยาเรานายทัพนายกองตั้งค่ายใหญ่สามค่ายที่ตำบลบกหวานเพื่อจะได้รับกองทัพไทยแล้วสั่งให้พระยาคําเกิดกับกองแก้วและกองทองสามนาย คุมพลทหารไปกวาดต้อนครอบครัวและเสบียงอาหารตามบ้านเล็กบ้านน้อยบรรทุกโคต่างช้างเกวียนถายลำเลียงมาสะสมไว้ในค่ายทุ่งบกหวานหมายใจจะทำการศึกแรมปีแล้วแต่งทัพให้ไปลาดตระเวนทุกด่านทุกทางในทางปา่าไม่ให้ข้าศึกไทยมาหลังค่ายได้เจ้าระชชงคิดกลัวกองทัพเขมรจะยกมาช่วยไทยจึงให พิษสาทรจกับเท้าแสนใจหานคุมทหารไปสะทางที่เขาลีผีอย่าให้ขมนมาได้โดยสะดวกให้มีกองซุ่มซ่อนคอยตีขมนและไทยจะยกมาช่วยทางใดบ้างแล้วเจ้าระชงแต่งให้เท้าเพชรเดชะถือหนังสือไปกับทองคำและพลอยทับทิมไปถวายกับนักองค์จันเจ้ากรุงกัมพูชา ขอกองทัพขเขมรมาช่วยตีไทยได้แล้วจะแบ่งแผ่นดินให้กึ่งหนึ่งเพราะเวลานั้นขเขมรโกรธกับไทยฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีอยู่ในค่ายเมืองสุวรรณภูมินั้นจึงได้ปรึกษาการศึกกับเจ้าศรีวอเสมอไม่ได้ขาดอยู่มาวันหนึ่งเจ้าพระยาราชสุภาวดีสั่งเจ้าศรีวอให้จัดหาคนลาวชาวเมืองสุวรรณภูมิที่มีสติปัญญาคมสรรค์สักสามคน จะให้ไปสืบราชการที่เมืองเวียงจันท์ว่าจะกำเริบมากขึ้นหรือสงบลงประการใดด้วยไทยอยู่ไกลไม่สามารถจะรู้ข่าวราชการหนักเบาในเมืองเวียงจันท์ได้ครั้งนั้นเจ้าสีวอพาลาวสามคนมามอบให้แม่ทัพไทยแล้วแจ้งความว่าคนหนึ่งชื่อหมอพไพรายคนหนึ่งชื่อน้อยปานฟ้าคนหนึ่งชื่อหนานเมืองมาลาวทั้งสามคนนี้ เห็นว่ามีสติปัญญาพอที่จะได้ราชการบ้างแต่นานเมืองมาคนนั้นเป็นบุตรเท้าสุริยะมหาวงเมืองเชียงรายเป็นลาวพุงดําแต่มาอยู่ที่เมืองสุวรรณภูมิช้านานหลายปีแล้วเพราะเหตุด้วยอริวิวาทกับอุปหัสมืองเชียงรายฝ่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีก็มีความยินดียิ่งนักจึงมีบัญชาสั่งลาวทั้งสามคนให้ไปสืบราชการศึกตามทางป่าว่า ทัพเวียงจันจะยกมาตั้งอยู่ที่ตังบนใดบ้างถ้าไม่พบก็ให้ไปสืบถึงเมืองเวียงจันทีเดียวหลาวทั้งสามคนรับบัญชาแล้วต่างคนต่างไปคุมไพรกองละร้อยห้าสิบคนแยกย้ายกันไปทั้งสามกองแต่นั้นต่อมาหลายวันหมอพลไพรกลับมาแจ้งความว่าได้เห็นกองทัพรล่ายกมาเผาบ้านเล็กเมืองน้อย ตามลาแม่น้ําขงหลายตันบลแล้วลาวกำลังเดินทัพ บ, บกมาบ้างและถึงเมืองนครพนมในเวลาเช้าวันนั้นได้ยินเสียงปืนยิงโต้ตอบกันหลายติบนัดขเนเห็นทีลาวกัดไทยในกองทัพพระวิชิตสงครามเมืองนครพนมจะได้รบ ก, กันเป็นแน่ได้ฟังอยู่จนบ่ายก็เงียบเสียงปืนลงขันจะเข้าไปใกล้เมืองนครพนมไม่ได้ด้วยลาวตั้งทัพอยู่มาก ฝ่ายน้อยปานฟ้ากลับมาแจ้งความว่าได้เห็นค่ายลาวเวียงจันท์ตั้งอยู่ที่ทุ่งบกหวานหลายค่ายค่ายกลางเล็กแต่ค่ายริมสองข้างนั้นโตกว้างใหญ่กว่าค่ายกลางผิดประหลาดกับธรรมเนียมพิชัยสงครามไม่มีค่ายปีกาตามตำราทับถ้าจะแลดูทางหน้าค่ายนั้นเห็นเป็นสามค่ายถ้าจะแลดูทางข้างค่ายนั้นเห็นเป็นค่ายเดียวเพราะตั้งค่ายริมสูงใหญ่โต กว้างขวางกว่าค่ายกลางตั้งชิดติดเนื่องกันทั้งสามค่ายลาวเวียงจันตั้งค่ายอย่างนี้ดูท่วงทีเป็นรูปพันธุ์แม่ไก่กกลูกถ้าใต้เท้ากรุณาเจ้ายกกองทัพไทยไปตั้งเป็นกระบวนกากลางปีกให้เป็นนามกรอริ ก, กันกับรูปค่ายยกออกไปสู้รบกับข้าศึกก็จะได้ชัยชนะแก่ลาวเป็นมั่นคงกับได้พิเคราะห์ดูริพนลาวในค่ายและนอกค่ายนั้น ประมาณดูราวสักเจ็ดพันเศษแต่แม่ทัพลาวนั้นจะเป็นเจ้าอนุหรือเจ้ารัชวงศ์ยังสงสัยอยู่หารูแน่ไหมฝ่ายนานเมืองมาลาวพุงดํากลับมาแจ้งความว่าได้ไปสืบข่าวราชการศึกได้ความมาแต่ขมเรป่าดงว่าเจ้าสุธิสารกับเจ้ารัชวงศ์เจ้าโอทั้งสามนี้ไปเที่ยวเกลียกล่มครอบครัวลาว ที่ซุ่มซ่อนอยู่ในป่าดงได้มาเข้าเป็นกำลังหลายพันเกือบหมืน่นกำลังจะจัดกองทัพจะลงมาตีเมืองตามลำแม่น้ำโขงเดี๋ยวนี้เจ้ารัชวงศ์ยกลงมาตั้งอยู่ที่เมืองศรีสะเกดเจ้าสุธิสารมาตั้งอยู่เมืองเดชอุดมเป็นสองทัพใหญ่สองทัพใหญ่กำลังจัดแจงช้างมา้าโคต่างกระบือเกวียนจะถ่ายลาเลียงขนเสบียงอาหารไปไว้ที่เมืองภูเขียว แล้วจะยกไปตีเมืองนครราชสีมาอีกคราวนี้ราศดรพลเมืองลาวมีความนิยมนับถือเข้าเป็นกำลังเจ้ารัชวงศ์มากเพราะสงสารว่าเจ้านายเก่าแก่ของตนได้ความตกยากลาบากนักจึงเข้าช่วยจะกอบกู้บ้านเมืองให้เจ้านายของตนเป็นใหญ่เจ้าเมืองกรมการเพียเทา้าพระยาลาวผู้ใหญ่ไม่สู้จะเข้าด้วยหลีกเลี่ยงเข้าป่าดงไปเสียมากหลายบ้านหลายเมือง เพราะเห็นว่าเจ้าอนุเจ้าระชุงเป็นคนพาลคนโกงก่อการให้บ้านเมืองได้รับความเดือดร้อนเปล่าๆหาประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียวผลประโยชน์ของพลเมืองราษฎรจะเสียไม่ว่าหาแต่การงานของตนตามใจพานเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านผ่านเมืองขุนนางเลาเถาวผู้ใหญ่ไม่เข้าด้วยหนีไปอยู่ป่าดงเสียมากได้ยินข่าวเล่าลือกันที่ในป่าดงว่าเจ้าระชง จับเจ้าเมืองเขมรากขมิญและกรมการเมืองเขมรากขมิญฆ่าตายหมดและครอบครัวขมิญชาวเมืองเขมรากถังพระสงฆ์และขรรค์รวมสองร้อยห้าสิบคนนั้นแล้วนําไปคลอกตายหมดทั้งสองร้อยห้าสิบคนที่หนีไปได้บ้างก็มีมากที่เจ้ารัชวงศ์ฆ่าเจ้าเมืองกรมการและรัศดรเมืองเขมรากขมิญ น, นั้นเห็นจะเป็นเพราะไม่ยอมเข้าด้วยจึงฆ่าเสียกับทราบว่า พระยาสงครามเวียงชัยขุนนางผู้ใหญ่ในค่ายเจ้าอนุนั้นหนีมาอยู่กับเจ้าราชวงศ์เพราะเหตุเดิมนั้นเจ้าอนุใช้ให้พระยาสงครามเวียงชัยเป็นแม่ทัพรักษาค่ายทุ่งท้มปล่อยและค่ายเขาสารก็แตกแก่ไทยทั้งสองตำบลเจ้าอนุสงสัยว่าพระยาราชสงครามเวียงชัยเป็นไส้สึกแก่ไทยจึงปล่อยให้ค่ายทั้งสองตำบล น, นั้นแตกโดยง่ายเจ้าอนุกโกรธ ที่คาดโทษพระยาสงครามเวียงชัยไว้ว่าถ้าพบจะนําดาบสับให้ละเอียดไม่ให้กากรืนแขนคอพระยาสงครามเวียงชัยรู้ตัวกลัวเจ้าอนุยิ่งนะักจะหนีไปทางไหนก็ไม่ได้เมื่อมาพบเจ้าราชวงศ์ตั้งทัพอยู่ที่ทุ่งบกหวานพระยาสงครามเวียงชัยจึงเข้ามาหาขอช่วยราชการต่อไปโดยการจวนตัวแต่ไม่สู้จะได้ไว้วางใจทีเดียว กลัวเจ้าราชวงศ์จะจับตัวส่งให้แก่เจ้าอนุบิดาข่าเสียเหตุการณ์ทั้งนี้นานเมืองมาได้ทราบมาแต่ปากราวชาวเวียงจันทร์ในค่ายเจ้าราชวงศ์ที่ทุ่งบกหวานออกจากค่ายมาหาเผือกมันในป่ากินนานเมืองมาเห็นดังนั้นจึงชักมาไล่โอบหลังจับได้สิบห้าคนส่งมายังค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดีแต่นําปืนยิงตายเสียสามคน เพราะมันต่อสู้จึงฆ่าตายอานาสยามยุทธภาคที่หนึ่งตอนที่9กาสองทัพลาวสามสีกองทัพไทยกบลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป